วิธีเพิ่มระยะการกำหนดรู้เมื่อผ่านไปหลายวันผู้ปฏิบัติอาจรู้สึกว่าสามารถกำหนดสภาวะพองยุบสองระยะได้ง่ายและมีช่วงว่างระหว่างสภาวะพองและยุบหากอยู่ในท่านั่งให้เพิ่มสภาวะนั่งโดยกำหนดว่าพองหนอยุบหนอนั่งหนอเป็นสระยะและในขณะกำหนดว่านั่งหนอ พึงรับรู้สภาวะทางกายที่นั่งอยู่หากอยู่ในท่า น, นอนให้กาหนดเพิ่มเป็นสามระยะพองหนอยุบหนอนอนหนอถ้ากำหนดสามระยะแล้วยังรู้สึกว่ามีช่วงว่างระหว่างการกำหนดก็ควรเพิ่มเป็นสี่ระยะว่าพองหนอยุบหนอนั่งหนอถูกหนอ โดยเพิ่มสภาวะสัมผัสที่ปรากฏชัดหากกำหนดหลายระยะแล้วยังไม่ดีให้ท่านเปลี่ยนมากำหนดสภาวะนั่งเป็นสมระยะโดยตัดถูกหนอออกเพียงกำหนดว่าพองหนอนั่งหนอยุบนอนั่งหนอแม้ในขณนะนอนก็กำหนดว่าพองนอยุบนอ นอนเนาถูกหนอหรือพองหนอนอนหนอยุบหนอนอนหนอการกําหนดสภาวะกระทบสัมผัสที่เรียกว่าโผลทัพพารลมซึ่งเป็นหนึ่งในธรรมานุปัสนาควรกําหนดในบริเวณซึ่งกายประสาทสัมผัสกันเช่นริมฝีปากลิ้นที่ดุลปุ่มเหงือกบนหรือล่าง นิ้วมือที่สัมผัสกันมือที่สัมผัสวางซ้อนกันจะทำให้สมาธิก่อตัวเร็วกว่าการกำหนดในบริเวณที่ร่างกายกระทบกับสิ่งภายนอกเช่นสะโพกหรือตะตุ่มกระทบสัมผัสกับพื้นเป็นต้นขณะที่กำหนดสภาวะพองยุบเป็นต้นด้วยความจดจอ่อจะมีอารมณ์อื่นที่ไม่ชัดเจนจรมาก็ไม่จำเป็นต้องกาหนดสภาวะ เห็นหรือได้ยินเป็นต้นแต่ถ้าลืมตาดูให้กำหนดว่าเห็นหนอและตามกำหนดสภาวะพองยุบเป็นต้นต่อไปถ้าเห็นอารมณ์ที่มาปรากฏทางใจในลักษณะของรูปภาพเช่นบุรุษสตรีพึงกำหนดว่าเห็นหนอเห็นหนอสองหรือสามครั้ง ถ้าตั้งใจฟังเสียงให้กำหนดว่าฟังหนอหรือได้ยินหนอถ้าได้ยินเสียงพูดเสียงดนตรีหรือเสียงหมาเหา่านกร้องไก่ขันที่ดังชัดเจนให้กำหนดว่าได้ยินหนอสองหรือสามครั้งแล้วกลับมากำหนดสภาวะพองยุบตามปกติ ถ้าผู้ปฏิบัติทําไม่สามารถกำหนดรู้เท่าทันสภาวะเห็นหรือได้ยินที่มาปรากฏชัดเจนได้อาจส่งผลให้สภาวะพองยุบเป็นต้นไม่ปรากฏชัดความฟุ้งซ่านอาจเกิดขึ้นในขณะระหว่างปฏิบัติธรรมบ้างให้กำหนดว่าคิดเนาะแล้วกลับไปกำหนดอารมณ์หลักตามเดิมถ้าลืมกาหนดสภาวะเคลื่อนไหวทางกายหรือความฟุ้งซ่านเมื่อรู้สึกตัวแล้ว ให้กำหนดว่าเผลอหนอแล้วกลับไปกำหนดอารมณ์หลักหากลมหายใจเข้าออกละเอียดขึ้นอาจทำให้สภาวะพองยุบไม่ชัดเจนจึงควรเปลี่ยนไปกำหนดสภาวะนั่งนอนหรือกระทบสัมผัสโดยย้ายไปที่ตามจุดที่สัมผัสได้ราวสี่ห้าหรือหกจุดตามสมควร บางครั้งเมื่อนั่งเป็นเวลานานอาจคิดว่าตนไม่ก้าวหน้าและความเกียจคร้านปรากฏพึงกําหนดว่าเกียจคร้านหนอเมื่อสติสมาธิและวิปัสสนาญาณยังไม่แ ก, ก่กล้าอาจสําคัญว่าการปฏิบัติตนไม่ก้าวหน้าแล้วเกิดความสงสัยลังเลใจพึงกําหนดความสงสัยนั้นว่าสงสัยหนอ้อ ในบางขณะผู้ปฏิบัติทำอาจคาดหวังความก้าวหน้าและหวังให้คุณธรรมวิเศษมาปรากฏพึงกำหนดรู้ความคาดหวังนั้นว่าคาดหวังหนาหรืออยากหนาในบางขณะอาจคิดถึงการปฏิบัติหรือสิ่งที่เคยทำมาก่อนให้กำหนดว่าใคร่ครวญเนอหรือพิจารณาว่าสิ่งที่กำหนดรู้เป็นรูปหรือเป็นนาม ให้กำหนดว่าพิจารณาหนาะบางขณะอาจกำหนดได้ไม่ดีจึงเกิดความเสียใจพึงกำหนดว่าเสียใจหนอถ้ากำหนดได้ดีย่อมรู้สึกดีใจให้กำหนดว่าดีใจหนอตามในนี้ผู้ปฏิบัติธรรมพึงกำหนดรู้สภาวะทางจิตในทุกๆขณะที่ปรากฏขึ้น แล้วควรกลับมากำหนดสภาวะพองยุบต่อไปกำหนดเวลาในการปฏิบัติธรรมนั้นต้องกำหนดให้ต่อเนื่องกันตั้งแต่ตื่นจนถึงหลับสนิทเมื่อเริ่มปฏิบัติธรรมขอให้ผู้ป ร, รารภความเพียรตั้งใจว่าเราจะกำหนดอย่างต่อเนื่องเมื่อวิปัสสนาญาณมีกำลังแก่กล้าแล้วบางท่านอาจรู้สึกสดชื่นอยู่เสมอโดยไม่ต้องหลับนอน สรุปวิธีปฏิบัติผู้เจริญวิปั ส, สนาพึงกำหนดรู้อากัปกิริยาทางกายที่เคลื่อนไหวไม่ว่าจะน้อยหรือมากกายานุปั ส, สนาพึงกำหนดรู้ความรู้สึกทุกอย่างทั้งที่เป็นสุขหรือเป็นทุกข์อันปรากฏทางกายและใจคือเวทนานุปั ส, สนาพึงกำหนดรู้สภาวะจิตที่คิดฟุ้งซ่านในเรื่องดีหรือไม่ดีคือจิตานุปัสนา และพึงกําหนดรู้สภาวะทุกอย่างที่ปรากฏทางใจเช่นนิวรณ์เป็นต้นคือธรรมานุปัสสนาเมื่อไม่มีอารมณ์อื่นใดปรากฏชัดในขณะนั่งให้กําหนดรู้สภาวะพองยุบหรือนั่งเป็นต้นตามปกติในขณะเดินก็ควรกําหนดสภาวะยกย่างและเหยียบอย่างต่อเนื่อง ผู้ที่ภาคเพียนกำหนดตามในที่กล่าวมานี้ทั้งที่วาราตรีไม่ขาดช่วงยกเว้นเวลานอนหลับไม่นานนักจะยังเห็นรูปนามทั้งหมดที่เกิดดับได้ทันปัจจุบันบัลุวิปัสนาญาณขั้นต่างๆมีอุทพพยญาณเป็นต้นตามลำดับ วิธีกาหนดอย่างต่อเนื่องเมื่อสติสมาธิและปัญญาแก่กล้าขึ้นจากวิธีปฏิบัติที่กล่าวมาแล้วผู้ปฏิบัติธรรมจะพบว่าอารมณ์ปัจจุบันกับการกำหนดรู้มีไปพร้อมกันหรือสัมพันธ์กันเช่นรูปที่พองพร้อมกับจิตที่กำหนดว่าพองหนอรูปที่ยุบพร้อมกับจิตที่กำหนดว่ายุบหนอ รูปที่นั่งพร้อมกับจิตที่กำหนดรู้รูปที่คูพร้อมกับจิตที่กำหนดรู้รูปที่เหยียดพร้อมกับจิตที่กำหนดรู้รูปที่ยกพร้อมกับจิตที่กำหนดรู้รูปที่ย่างพร้อมกับจิตที่กำหนดรู้รูปที่เหยียบพร้อมกับจิตที่กำหนดรู้คำว่าอารมณ์ในภาษาไทยหมายถึงเครื่องยึดหนวงเช่น เรื่องนี้อย่าถือเอามาเป็นอารมณ์เลยความคิดความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยเช่นเดียวอารมณ์ดีเดี๋ยวอารมณ์ร้ายนิสัยใจคอเช่นเป็นคนอารมณ์เย็นคำนี้มีความหมายตามหลักธรรมว่าสิ่งที่จิตรับรู้ทางทวารหกคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและความคิดนึกเรื่องราวต่างๆเหมือนไม้เท้าที่คนไร้กาลัง ยึดหน่วงไว้เพื่อเดินขึ้นเขานอกจากนั้นผู้ปฏิบัติธรรมยังอาจแยกรูปนามออกจากกันได้ชัดเจนว่าสภาวะพองเป็นอย่างหนึ่งส่วนจิตที่กำหนดรู้เป็นอีกอย่างหนึ่งเป็นต้นการปรากฏของจิตที่เหมือนวิ่งเข้าหาอารมณ์ต่างๆมีสภาวะพองยุบเป็นต้นจัดว่าเป็นลักษณะของนามธรรมา ที่น้อมไปหาอารมณ์ยิ่งกำหนดรู้รูปธรรมได้ชัดเจนเพียงใดนามธรรมาก็ยิ่งปรากฏชัดเจนเพียงนั้นดังคำภีวิสุทธิ์ที่มกรกกล่าวว่าโดยแท้จริงแล้วนามที่มีรูปนั้นเป็นอารมณ์ย่อมปรากฏเองเมื่อรูปได้ประจักษ์ชัดเจนสะอาดบริสุทธิ์ดีแก่เธอแล้วผู้ปฏิบัติที่ไม่ได้ศึกษาหลักธรรม เมื่อแยกรูปนามได้อย่างนี้ย่อมเข้าใจว่าไม่มีสิ่งอื่นนอกจากรูปกับนามคือมีเพียงสภาวะพองกับจิตที่กำหนดว่าพองสภาวะยุบกับจิตที่กำหนดว่ายุบสภาวะนั่งกับจิตที่กำหนดว่านั่งมนุษย์เรานี้มีเพียงรูปนามสองอย่างจะเป็นหญิงหรือชายก็มีเพียงสองอย่าง ไม่มีบุคคลเราของเราบุรุษหรือสตรีเป็นต้นนอกเหนือจากรูปนามส่วนผู้ที่สดับฟังมามากจะเห็นกว้างไกลกว่านี้คือจะเข้าใจได้ว่าในเวลาที่กําหนดรู้หรือไม่ได้กําหนดรู้ก็มีเพียงรูปและนามนอกจากรูปนามเหล่านี้แล้วไม่มีบุคคลบุรุษหรือสตรี มีเพียงรูปที่ถูกกำหนดรู้และจิตที่เป็นตัวกำหนดรู้หรือมีเพียงรูปอันเป็นที่ตั้งของนามและจิตที่คิดพิจารณาเป็นต้นชาวโลกต่างสมมุติรูปนามนี้ว่าเป็นบุคคลบุรุษหรือสตรีเป็นเพียงสิ่งที่ถูกบัญญัติเท่านั้นไม่มีบุคคลบุรุษหรือสตรีเป็นตัวตนเลยแม้แต่น้อย ถ้าพิจารณาได้อย่างนี้ในขณะที่กําลังปฏิบัติอยู่พึงกําหนดว่าพิจารณาหนอแล้วกลับมากําหนดสภาวะพองยุบตามเดิมเมื่อสภาวะแก่กล้ามากขึ้นจิตสั่งที่ต้องทำการอากับกิริยาอย่างใดอย่างหนึ่งจะปรากฏชัดเจนขึ้นเองกล่าวคือ ผู้ปฏิบัติธรรมจะสามารถกำหนดรู้จิตได้ทันทีก่อนจะเคลื่อนไหวร่างกายต่างจากเมื่อครั้งฝึกปฏิบัติใหม่ๆเวลานั้นแม้จะกำหนดว่าอยากคู่เนอก็ไม่อาจรับรู้จิตที่อยากจะคู่ได้ชัดเจนทําให้รู้สึกว่ารูปที่เคลื่อนไหวเร็วกว่าจิตและจิตเกิดช้ากว่ารูปแต่เมื่อภาวนาจนมีกําลังมากขึ้น ก็จะสามารถกำหนดจิตสั่งได้เร็วชัดเจนเหมือนกับคอยต้อนรับความเคลื่อนไหวที่จะเกิดขึ้นต่อไปและไม่ปะปนกับอากับกิริยาทางร่างกายในขณะนั้นควรกำหนดรู้จิตสั่งก่อนจะทำกิริยาต่างๆเช่นในเวลาต้องการจะเหยียดคู้นั่งยืนเดินเป็นต้น เมื่อความเย็นหรือความร้อนมากระทบแล้วผู้ปฏิบัติธรรมกําหนดว่าเย็นหนอหรือร้อนหนออาจรับรู้ถึงความเย็นหรือความร้อนที่ค่อยๆเพิ่มขึ้นในขณะรับประทานอาหารก็อาจรับรู้ว่ามีพละกําลังเพิ่มขึ้นเป็นลําดับขณะที่กําหนดสภาวะพองยุบอยู่ อาจปรากฏอารมณ์อื่นที่ชัดเจนกว่าก็ควรตามกำหนดอารมณ์ที่ชัดเจนกว่าเหล่านั้นบางขณะอาจเห็นรูปพระพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์หรือบางขณะที่กำหนดทุกขเวทนาในวงเล็บมีความปวดเป็นต้นอยู่ก็อาจมีอารมณ์อื่นที่ชัดเจนกว่ามาปรากฏผู้ปฏิบัติต้องเปลี่ยนไปกำหนดอารมณ์ที่ชัดเจนนั้น การเปลี่ยนไปกำหนดสภาวะที่ชัดเจนกว่านี้จะช่วยให้เข้าใจว่าการกำหนดรู้ย่อมมีได้โดยอาศัยอารมณ์ที่ปรากฏชัดเจนการกำหนดรู้ต้องอาศัยอารมณ์เสมอเหมือนคนไร้กำลังต้องอาศัยไม้เท้าให้เดินไปได้เปรียบจิตเหมือนคนไร้กำลังและอารมณ์เหมือนไม้เท้าดังนั้น อารมณ์อันเป็นที่ยึดหน่วงของจิตจึงได้ชื่อว่าอารมณะปัจจัยคือปัจจัยที่เป็นอารมณ์อันหนึ่งในบางขณะที่สภาวะพองยุบไม่ปรากฏชัดทําให้กำหนดรู้ได้ยากผู้ปฏิบัติธรรมย่อมเข้าใจว่าการกำหนดรู้ย่อมมีไม่ได้เมื่อไม่มีอารมณ์ขณะนั้นจึงควรกำหนดว่านั่งหนอ ถูกหนานอนหนอถูกหนอและควรกำหนดสภาวะกระทบสัมผัสประมาณสี่หรือห้าจุดสลับกันเช่นกำหนดว่านั่งหนอแล้วกำหนดว่าถูกหนอที่ขาขวาแล้วกำหนดว่านั่งหนออีกแล้วกำหนดว่าถูกหนอ ที่ขาซ้ายเป็นต้นนอกจากนี้ในการกำหนดสภาวะเห็นหรือได้ยินก็อาจเข้าใจได้อย่างชัดเจนว่าการเห็นเกิดจากดวงตาเห็นรูปการได้ยินเกิดจากหูและเสียงดังนี้เป็นต้นความเข้าใจว่าการเห็นเกิดจากดวงตาและรูปจัดเป็นการอย่างเห็นเ ห, นเหตุปัจจัยคือดวงตาและรูปเป็นปัจจัย ให้เกิดผลคือสภาวะเห็นเหตุปัจจัยเป็นรูปก่อให้เกิดนามคือการเห็นส่วนจิตสั่งที่กล่าวมาก่อนนั้นเป็นนามที่ก่อให้เกิดรูปคืออากัปกิริยาทางร่างกายอันหนึ่งผู้ปรารบความเพียรย่อมเข้าใจเหตุปัจจัยดังต่อไปนี้ว่าอากัปกิริยาทางร่างกายต่างๆมีได้เพราะจิต ที่คิดจะเหยียดคูเป็นต้นร่างกายเย็นร้อนได้เพราะมีธาตุเย็นและธาตุร้อนร่างกายตั้งอยู่ได้เพราะมีอาหารที่ดื่มกินการกำหนดว่าพองยุบมีได้เพราะมีสภาวะพองยุบการเห็นและการได้ยินมีได้เพราะมีอารมณ์คือรูปเสียงหรือเพราะมีที่อาศัยเกิดของจิต คือตาหูเป็นต้นการกําหนดในขณะหลังเกิดขึ้นได้เพราะมีการกําหนดในขณะแรกเวทนาในปัจจุบันมีได้เพราะมีกรรมในชาติก่อนรูปนามในปัจจุบันมีได้ตั้งแต่ปฏิสนธิเป็นต้นมาเพราะมีกรรมในชาติก่อนผู้ปฏิบัติธรรมจึงสามารถเข้าใจได้ว่า รูปนามล้วนเกิดจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องกันปราศจากอำนาจเหนือธรรมชาติที่บันดาลให้เกิดขึ้นความเข้าใจเช่นนี้จะผุดขึ้นได้และจะเกิดชัดเจนเพียงชั่วขณะจึงควรกำหนดสภาวะพิจารณานี้ว่าพิจารณาหนอหรือเข้าใจหนอหรือรู้หนอแล้วกลับมากำหนดอารมณ์หลักตามเดิม เมื่อผู้ปฏิบัติธรรมเข้าใจแล้วว่ารูปนามที่กำลังกำหนดอยู่เกิดจากรูปนามที่เป็นเหตุปัจจัยย่อมเข้าใจต่อไปว่ารูปนามในอดีตเกิดขึ้นเพราะเหตุนี้แม้รูปนามในอนาคตก็เกิดขึ้นเพราะเหตุนี้ไม่มีบุคคลตัวเราของเราไม่มีผู้เนรมิตรูปนามเมื่อนั้นควรกำหนดสภาวะพิจารณาอย่างนี้ แล้วกลับมากำหนดอารมณ์หลักตามเดิมผู้ที่ศึกษาหลักธรรมมาน้อยอาจพิจารณาได้ไม่นานต่างจากผู้ที่ศึกษามากอาจพิจารณาอยู่นานและไปไกลกว่าในเวลาปฏิบัติไม่ควรพิจารณามากนะักควรมุ่งกำหนดรู้สภาวะธรรมปัจจุบันเป็นหลักจะทำให้ก้าวหน้าได้ได้เร็วกว่าการพิจารณา การพิจารณาด้วยความเข้าใจเพียงเล็กน้อยก็เพียงพอแล้วบางขณะที่สมาธิกำลังมากขึ้นทุกขเวทนาทางกายเช่นความคันร้อนปวดเจ็บเกรงอาจปรากฏจนผู้ปฏิบัติแทบจะทนไม่ได้และเมื่อไม่ได้อดทนกำหนดเวทนาก็จะหายไปเองแต่พอเริ่มกำหนดจนมีสมาธิมากขึ้น เวทนาเหล่านั้นก็จะปรากฏขึ้นอีกความจริงเวทนานี้ไม่ใช่โรคร้ายแต่จะปรากฏตามสภาวะธรรมที่ผู้ปฏิบัติสามารถยังเห็นลักษณะพิเศษของทุกขเวทนาคือสภาวะที่ทนได้ยากอย่าขยาด ต, ต่อเวทนาให้พยายามกำหนดเวทนานั้นให้ดีเพราะไม่ช้าจะค่อยๆลดน้อยลงแล้วหายไปได้ นอกจากนั้นในบางขณะอาจพบเห็นสิ่งต่างๆทางใจเหมือนเห็นประจักษ์ด้วยดวงตาเช่นพระพุทธรูปที่มีรัศมีแผ่ซ่านพระสงฆ์เหาะมาทางอากาศพระเจดีผู้ที่ตนเคารพบูชาต้นไม้ป่าภูเขาอุทยานเมฆซากศพขึ้นอืดกองกระดู ซากศพที่กระจัดกระจายอยู่เต็มห้องหรือบ้านตนเองเป็นซากศพขึ้นอืดมีเลือดไหลาขาดเป็นท่อนๆเป็นกองกระดูกหรือเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นกระดูกเนื้อเอ็นลำไส้ตับหรือนอนในตนเองนรกสวรรค์สัตว์นรกเปรตเทวดาเทพธิดาปรากฏการทั้งหมดนี้ เป็นเพียงบัญญัติที่เกิดจากกำลังสมาธิไม่ใช่สิ่งที่น่าพอใจหรือไม่น่าพอใจเป็นเหมือนความฝันเท่านั้นแต่มโนวิญญาณจิตที่รู้เห็นอารมณ์ดังกล่าวเป็นปรมัติที่มีจริงผู้ปฏิบัติธรรมควรกำหนดสภาวะเห็นว่าเห็นหนอจนกว่าจะหายไปเพราะอารมณ์ที่ปรากฏในจิต เป็นสิ่งที่ชัดเจนกว่าจิตซึ่งทำหน้าที่รู้อารมณ์ในบางขณะอารมณ์ที่ปรากฏทางใจอาจเปลี่ยนเป็นอารมณ์อื่นบ้างค่อยๆหายไปบ้างบางขณะอาจกำหนดสหรือหครั้งเมื่อสมาธิมีกำลังแล้วอาจกำหนดเพียงหนึ่งหรือสองครั้งก็หายไปได้แต่ถ้าผู้ปฏิบัติทำต้องการเห็น หรือรู้สึกกลัวสิ่งที่ปรากฏอารมณ์นั้นจะปรากฏอยู่นานและถ้าเป็นอารมณ์ที่ผู้คิดฟุ้งซ่านพอใจก็จะเกิดนานขึ้นดังนั้นจึงควรระมัดระวังอย่าคิดฟุ้งซ่านในช่วงที่สมาธิมีกำลังมากขึ้นเมื่อรู้สึกตัวว่าคิดฟุ้งซ่านให้รีบกำหนดสภาวะคิดฟุ้งซ่านทันที บางคนรู้สึกเบื่อเพราะเฝ้าตามรู้สภาวะธรรมซ้ำไปซ้ำมาโดยไม่มีอะไรแปลกใหม่หรือไม่ปรากฏเวทนาแปลกๆ ป, ปรากฏควรรีบกำหนดสภาวะเมื่อนั้นจนกว่าจะหายว่าเบื่อหนอในระยะนี้ไม่ว่าจะรับรู้อารมณ์แปลกๆหรือไม่ไม่ใช่เรื่องสำคัญสิ่งสำคัญคือต้องกำหนดรู้ไปตลอดสาย ตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงจุดสิ้นสุดของสภาวะที่กำหนดอยู่ต่างจากในเวลาเริ่มปฏิบัติมักต้องเปลี่ยนไปกำหนดอารมณ์อื่นที่มาปรากฏขณะกำลังกำหนดอารมณ์อย่างหนึ่งอยู่แต่ในระยะนี้จะรับรู้ได้ว่าอารมณ์เก่าดับไปแล้วจึงปรากฏอารมณ์ใหม่จึงสามารถรู้เห็นถึงจุดเริ่มต้นไปจนถึงที่สุดของอารมณ์ที่กำหนดอยู่ได้ เวลานั้นผู้ปฏิบัติธรรมย่อมสามารถอย่างเห็นความเกิดขึ้นและดับไปของสภาวะธรรมปัจจุบันที่รับรู้ได้ชัดเจนทําให้เข้าใจว่ารูปนามทุกอย่างไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปในทุกขณะดังข้อความในพระบาลีและอัตถกถาว่าอนิจจังขยัตเถนะไม่เที่ยงเพราะมีสภาพสิ้นไป หุตวาอภาวัโต อ, อนิจจาไม่เที่ยงเพราะเกิดขึ้นแล้วดับไปหลังจากนั้นเขาย่อมเข้าใจว่ารูปนามที่เกิดดับอยู่นั้นเป็นทุกข์เราเพลิดเพลินยินดีในรูปนามด้วยความหลงไม่รู้จริงสิ่งเหล่านี้ไม่น่าเพลิดเพลินยินดีแม้แต่น้อยเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปอยู่เสมอถูกบีบคั้นด้วยความเกิดดับ และเป็นของน่ากลัวดังข้อความในพระบาลีและอัตถกถาว่าทยานิจจังตังทุกขงังสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์ทุกขังพยัตเเทนะเป็นทุกข์เพราะมีสภาพน่ากลัวอุทัพพยปติปีละนตโตทุกขาเป็นทุกข์เพราะถูกบีบคั้นด้วยความเกิดดับนอกจากนั้นเมื่อพบกับทุกขเวทนาที่ทนได้ยาก ก็อาจพิจารณาว่ารูปนามไม่ใช่ของดีงามเป็นทุกข์ดังข้อความในพระบาลีและอัตถกะถาว่าทุกขมะทักขิสัน ล, ละโตเห็นทุกข์ว่าเหมือนลูกสรนเสียบทุกขวัตถุตายะจะทุกขโตเห็นทุกข์โดยความเป็นที่ตั้งของทุกข์โรคะโตคันทะโตสัน ล, ละโต เห็นว่าเป็นโรคฝีลูกศรเสียบทุกเป็นสิ่งที่ไม่น่าชอบใจเหมือนโรคฝีหรือลูกศรเสียบที่ไม่น่าชอบใจทำให้เป็นทุกข์เกล้าร้อนหลังจากนั้นเขา อ, อาจพิจารณาว่ารูปนามเกิดขึ้นแล้วดับไปเป็นกองทุกข์ล้วนๆไม่อยู่ในอำนาจของตนประจากแก่นสารที่เที่ยงและเป็นสุข ไม่ใช่อัตตาตัวตนที่เราไม่สามารถบังคับให้เกิดขึ้นหรือไม่ให้ดับไปดังข้อความในพระบาลีและอัตถกะถาว่ายัางทุกขังตทธนตตาสิ่งใดเป็นทุกสิ่งนั้นเป็นอนัตตาอนัตตาอส า, าระกัดเทนะเป็นอนัตตาเพราะมีสภาพปราศจากแก่นสารอาวสวัตตานตโตอนัตตา เป็นอนัตตาเพราะไม่เป็นไปตามต้องการเมื่อพิจารณาตรายักษณ์ดังนี้แล้วพึงกําหนดที่การพิจารณานั้นว่าพิจารณาหนอแล้วกลับไปกําหนดอารมณ์หลักตามเดิมเมื่อผู้ปฏิบัติธรรมรู้แจ้งเห็นประจักษ์อารมณ์ปัจจุบันว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนก็มักพิจารณาถึงสภาวะธรรมทุกอย่างที่ไม่ได้เห็นประจักษ์ ไม่ว่ามีสภาพเที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนเช่นเดียวกันการพิจารณาอย่างนี้จัดเป็นอนุมานญาณคือปัญญาที่อนุมารู้ซึ่งสืบต่อจากปัจจักคยานคือปัญญาเห็นประจักษ์ผู้ที่ศึกษาหลักธรรมาน้อยมักกำหนดได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ได้พิจารณามากนักบางคนติดอยู่ที่การคิดพิจารณา ในยานระดับนี้ส่งผลให้ความก้าวหน้าหยุดชะงักลงจนเมื่อเจริญสมาธิบรรลุวิปาาัสนาญาณขั้นสูงแล้วก็จะสามารถยังเห็นรูปนามได้ชัดเจนผู้ปฏิบัติจึงไม่ควรเน้นการพิจารณาแต่ควรกำหนดรู้สภาวะธรรมปัจจุบันอย่างต่อเนื่องไม่ขาดช่วงบุคคลผู้ที่ยังเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุก และไม่ใช่ตัวตนจากประสบการณ์ในการปฏิบัติแล้วย่อมตามกำหนดรู้สภาวธรรมที่ปรากฏในขณะนั้นโดยไม่พิจารณาใกล้ครวนในขณะนั้นอินสีห้าคือศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาย่อมสมดุลไม่ยิ่งย่อนกว่ากันและจิตก็ได้รับการพัฒนาด้วยอินสีเหล่านั้น ส่งผลให้รับรู้รูปนามได้รวดเร็วทันปัจจุบันในบางขณะที่หายใจเข้าสภาวะพองอาจปรากฏหลายลําดับขั้นหรือในบางขณะที่หายใจออกสภาวะยุบ ป, ปรากฏหลายหลายขั้นแม้ในเวลาทำเอิริยาบทย่อยที่เหยียดคู้สภาวะเคลื่อนไหวที่เกิดดับเป็นขั้นขั้นย่อมปรากฏ บางคนอาจปรากฏความสั่นสะเทือนน้อยๆทั่วร่างกายหรือรับรู้สภาวะกระทบสัมผัสที่จุดต่างๆของร่างกายบ้างก็รู้สึกถึงสภาวะคันยุบยิบทั่วตั ว, ตวหรือมีสภาวะเจ็บปวดเล็กน้อยเกิดอีกอย่างรวดเร็วแล้วหายไปส่วนมากสภาวะดังกล่าวไม่ใช่ความคันหรือความเจ็บปวดที่รุนแรง เมื่อนั้นผู้ปฏิบัติธรรมจะไม่สามารถกําหนดโดยการบริกรรมตามสภาวะที่ปรากฏอย่างรวดเร็วได้แต่สามารถใช้สติตามรู้ได้ทันทีและชัดเจนจึงควรใช้สติตามรู้นั้นไม่ควรบริกรรมตามสภาวะที่ปรากฏถ้าไปใส่ใจบริกรรมก็อาจทำให้เหนื่อยได้ง่ายในบางขณะอาจบริกรรมเพียงครั้งสองครั้ง แต่จะยังเห็นสภาวธรรมที่ปรากฏได้ถึง 40-50 อย่างขณะนั้นจึงไม่ควรตามรู้อารมณ์หลักอย่างเดียวควรตามรู้สภาวะปัจจุบันที่ปรากฏอย่างชัดเจนทางทวารหกแต่ถ้ากําหนดดังนี้แล้วรู้สึกไม่ดีก็ควรกลับไปกําหนดอารมณ์หลักตามเดิม รูปนามมีสภาพเกิดดับเร็วกว่าการกระพริบตาหรือว่าสายฟ้าแลบเมื่อผู้เจริญวิปัสนาสามารถยังเห็นความเกิดดับอย่างรวดเร็วได้สติของเขาจะมีกำลังมากกว่าเดิมสามารถพุ่งไปหาอารมณ์ปัจจุบันอย่างทันท่วงทีอารมณ์ก็ปรากฏชัดเหมือนแนบชิดกับสติอีกทั้งปัญญาก็ยังเห็นสภาวะธรรมที่ปรากฏแต่ละอย่างชัดเจน ไม่ปะปนกันเขาย่อมดำริได้ว่ารูปนามเหล่านี้เกิดดับอย่างรวดเร็วเหมือนเครื่องจักรที่ทำงานตามขั้นตอนแม้รูปนามจะเกิดดับเร็วมากก็สามารถรู้เห็นได้ชัดเจนสิ่งที่ควรรู้เห็นคงจะมีเพียงเท่านี้ไม่มีสิ่งอื่นนอกไปจากนี้แล้ว ความดำริดังกล่าวเป็นความคิดเห็นที่เกิดจากประสบการณ์อย่างเห็นความเกิดดับซึ่งไม่เคยได้พบเห็นแม้กระทั่งในฝันประสบการณ์บางอย่างอาจรู้เห็นได้ด้วยอํานาจของวิปัสสนาเช่น 1. โอภาษแสงสว่างโดยแสงสว่างที่เกิดนานหรือเพียงครู่ 2. ปิติความอิ่มใจโดยรู้สึกสบายใจซาบซ่านไปทั่วขุมขน น้ำตาไหลตัวโยกตัวลอยเหมือนอยู่บนชิงช้าหรือเย็นวาบตามร่างกาย 3. ปสัสธิความสงบโดยรู้สึกสงบกายและใจในขณะเดินนั่งนอนและในเรียบทอื่นๆในบางขณะอาจเกิดความเบาสบายซึ่งทำให้นั่งหรือนอนกำหนดได้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน ปราศจากความเจ็บปวดทางร่างกาย 4. อธิมโมกความศรัทธาโดยรู้สึกถึงความผ่องใสแห่งจิตที่ไม่มีกิเลสรบกวนบางขณะอาจเกิดความเลื่อมใสพระพุทธเจ้าอย่างราบซึ้งว่าพระองค์ทรงเป็นพระสัพพัญญูผู้รู้แจ้งธรรมทั้งปวงคำสอนที่ว่ามีเพียงรูปนามที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตน เป็นความจริงแท้ 5. ปักคะหะความเพียรโดยรู้สึกบากบัน่นอยากปฏิบัติธรรมปราศจากความเบื่อหน่ายหรือความเกียจคร้านในบางขณะอาจต้องการจะแสดงทำให้ผู้อื่นได้เข้าใจเหมือนตนเอง 6. สุขความสุขโดยรู้สึกถึงความสุขกายและสุขใจ 7. ยานะ วิปัสสนาญาณที่ปรากฏชัดเจน 8. อุปทานะสติที่ปรากฏชัดเจน 9. อุเบกขาความวางเฉยที่เกิดร่วมกับวิปัสสนาญาณโดยไม่ต้องปรับวิริยะและสมาธิให้เสมอกันเนื่องจากทมทั้งสองมีความสมดุลกันอยู่แล้ว 10. นิกันติความเพลิดเพลินยินดีในสภาวะ 9. ข้อข้างต้น เนื่องมาจากการปฏิบัติธรรมส่งผลให้ปฏิบัติได้เป็นเวลานานโดยไม่เบื่อหน่ายผู้ปฏิบัติธรรมไม่ควรใส่ใจต่อแสงสว่างหรือประสบการณ์อื่นที่ได้รับมากนักควรกําหนดว่าเห็นหนอเห็นหนอดีหนอดีหนอรู้หนอรู้หนอ พิจารณาหนาพิจารณานเนาะเลื่อมสหเนอเลื่อมสายนอดีใจหนาดีใจหนาหรืออิ่มใจหนา อ, อิ่มใจหนอตามสภาวะนั้นๆในเบื้องแรกอาจรู้สึกพอใจที่ได้พบเห็นแสงสว่างแม้จะกำหนดสภาวะเห็นแสงสว่างก็ไม่หายไป เพราะผู้ปฏิบัติมีความพอใจต่อมาเมื่อพบเห็นบ่อยเก้าก็จะเคยชินและสามารถกำหนดจนหายไปได้บางคนอาจพบเห็นแสงสว่างเป็นเวลานานแม้จะ ก, กำหนดไปก็ไม่หายในเวลานั้นจึงไม่ควรใส่ใจต่อแสงสว่างให้ถือว่าเป็นฉากหลังของการปฏิบัติแต่ควรมุ่งกำหนดรู้สภาวธรรมทางกายและใจ ที่ปรากฏชัดเป็นหลักและไม่ควรไปพิจารณาว่าแสงสว่างยังปรากฏอยู่หรือไม่เพราะถ้าพิจารณาอย่างนั้นอาจทำให้แสงสว่างปรากฏเรื่อยไปบางคนมีสมาธิเพิ่มขึ้นแล้วก็น้อมจิตคิดไปถึงสิ่งต่างๆทำให้มีแสงสว่างและอารมณ์อื่นๆปรากฏขึ้นในจิตดังนั้นจึงไม่ควรน้อมจิตไปคิดถึงสมมติบัญญตัต ถ้ารู้สึกว่าน้อมจิตคิดไปแล้วก็ให้สละความฟุ้งซ่านนั้นด้วยการกําหนดรู้บางคนแม้จะไม่น้อมจิตคิดถึงก็อาจจะเห็นสิ่งต่างๆที่ไม่ชัดเจนนักมาปรากฏอย่างรวดเร็วเหมือนตู้รถไฟที่แล่นไปด้วยความเร็วในขณะนั้นควรกําหนดว่าเห็นหนอเห็นหนออารมณ์ที่ปรากฏทางใจจะหายไปทีละอย่าง ด้วยการกำหนดแต่ละครั้งแต่เมื่อสมาธิลดน้อยลงสิ่งที่พบเห็นทางใจอาจปรากฏชัดเจนเมื่อกำหนดว่าเห็นหนอเห็นหนออารมณ์เหล่านั้นย่อมอันตรธานไปในที่สุดความฟุ้งซ่านย่อมสงบลงต่อจากนั้นผู้ปฏิบัติธรรมควรเข้าใจว่าการใส่ใจต่อแสงสว่างเป็นต้น ไม่ถูกต้องแนวปฏิบัติที่ถูกต้องคือการกาหนดรู้เท่าทันสภาวะธรรมปัจจุบันคือรูปนามที่ปรากฏทางกายและใจาตามความเป็นจริงแล้วกาหนดรู้อย่างต่อเนื่องสม่าเสมอวิปัสสนาญาณย่อมปรากฏชัดเจนขึ้นตามลำดับแล้วจะเกิดปัญญาอย่างเห็นความเกิดดับอย่างชัดเจนของรูปนามคือความรู้ เห็นว่ารูปนามเกิดขึ้นแล้วดับไปทันทีอย่างรวดเร็วสภาวะที่เกิดขึ้นย่อมไม่ได้ตามติดสภาวะที่เกิดในภายหลังผู้ปฏิบัติธรรมย่อมเข้าใจอย่างท่องแท้ว่ารูปนามไม่เที่ยงเป็นทุกข์และไม่ใช่ตัวตนบางท่านเข้าใจอย่างนี้แล้วอาจรู้สึกพอใจกับประสบการณ์ที่เกิดขึ้น แล้วหยุดการปฏิบัติโดยคิดว่าไม่มีสิ่งใดนอกเหนือไปจากสิ่งนี้อีกที่จะพึงหยุดกำหนดควรปฏิบัติต่อไปอย่างต่อเนื่องก็จะประสบความก้าวหน้าเป็นลำดับไปเมื่อวิปัสสนาญาณแก่กล้าขึ้นตามลำดับผู้ปฏิบัติธรรมจะไม่รับรู้สภาวะเริ่มเกิดขึ้นของอารมณ์ปัจจุบันแต่มักจะรู้ถึงสภาวะดับไปอย่างเดียว ทำให้รู้สึกว่ามีแต่ความดับปรากฏอยู่ในบางขณะอาจอยังเห็นความดับของจิตที่กาหนดรู้ได้อีกด้วยกล่าวคือในขณะกาหนดว่าพองหนออาจรู้สึกว่าสภาวะพองดับไปอย่างรวดเร็วและรู้สึกว่าจิตที่กาหนดรู้สภาวะดังกล่าวได้ดับไปเช่นเดียวกันเขารู้สึกว่าสภาวะพอง และจิตที่กําหนดรู้ดับตามกันไปเป็นลำดับแม้ในขณะที่กําหนดว่ายุบหนอนั่งหนอคู่หนาเหย็ยดเนอเมื่อยหนอเป็นต้นก็สามารถอย่างเห็นความดับไปของสภาวะธรรมและจิตที่กําหนดรู้ได้ตามลำดับบางคนสามารถอย่างเห็นความดับไปของสภาวะธรรมจิตที่กาหนดรู้ และสติที่กําหนดรู้จิตดังกล่าวเป็นสามขั้นตอนซึ่งดับไปตามลำดับอย่างไรก็ตามถ้าสามารถอย่างเห็นความดับไปของสภาวธรรมและจิตที่กาหนดรู้ได้สองอย่างก็ถือว่าเพียงพอแล้วผู้ปฏิบัติธรรมได้อย่างเห็นความดับไปของสภาวธรรมปัจจุบันและจิตที่กําหนดรู้อย่างนี้แล้ว รูปร่างสันฐานที่เรียกว่าคณะบัญญัติมีร่างกายศรีรษะมือเท้าเป็นต้นย่อมอันตรทานไปและจะรู้สึกถึงความดับไปอย่างรวดเร็วปรากฏขึ้นในร่างกายนี้โดยปราศจากสมมติบัญญัติใดๆในขณะนั้นบางคนอาจรู้สึกว่าการปฏิบัติทําไม่ก้าวหน้า และการกำหนดรู้ก็ยังไม่มั่นคงเพราะความฟุ้งซ่านมักเกิดแทรกซ้อนได้ง่ายความเข้าใจเช่นนั้นไม่ถูกต้องเพราะจิตของคนทั่วไปมักรื่นรมในรูปร่างสันฐานที่เป็นสมมติบัญญัติเมื่อไม่ได้รับอารมณ์บัญญัติที่ชอบเหมือนก่อนย่อมรู้สึกไม่เพลิดเพลินความจริงแล้วความรู้สึกเช่นนี้เป็นความก้าวหน้าอีกขั้นหนึ่ง เพราะเมื่อตั้งใจพิจารณาขณะที่วิปัสสนาญาณยังไม่แก่กล้าอารมณ์บัญญัตยย่อมปรากฏก่อนในเวลาที่เห็นได้ยินและกระทบสัมผัสเป็นต้นแต่วิปัสสนาญาณพัฒนาขึ้นแล้วสภาวะดับไปย่อมปรากฏชัดเจนแทนในขณะนั้นจะสามารถอย่างเห็นสภาวะธรรมอย่างชัดเจนโดยล่วงพ้นบัญญัติโดยสิ้นเชิง เขาย่อมรู้ประจักษ์ถ้อยคำของโบราณจาร์ที่กล่าวว่าเมื่อบัญญัติปรากฏประมาตยอมอันตรธานเมื่อประมาตยปรากฏบัญญัติย่อมอันตรธานในบางขณะการกำหนดรูปปรากฏชัดเจนผู้ปฏิบัติธรรมอาจรู้สึกว่ามีช่วงระยะระหว่างการกำหนดก่อนและหลังความรู้สึกดังกล่าวเป็นการรับรู้ระยะการเกิดขึ้น ของผวังขจิตคือจิตที่พ้นความรู้สึกซึ่งเกิดขึ้นระหว่างวิถีจิตในเวลาปกติเพราะปัญญารับรู้ได้เร็วมากขึ้นกว่าเดิมบางท่านกำหนดจิตสั่งที่ต้องการจะเหยียดหรือคู้ทำให้จิตนั้นหายไปจึงไม่อาจเหยียดหรือคูได้ทันทีในขณะนั้นผู้ปฏิบัติธรรมไม่ควรรีบกาหนดรู้อารมณ์หลักเหมือนก่อน แต่ควรขยายเวลาการกำหนดรูปนามที่ปรากฏชัดเจนทางทวารทั้งหก